เขาไม่สนใจเพราะเขาถือว่าเขามีหน้าท ok ี่จะทําเขาก็ทําของเขาไปไม่ไปเชื่อครูอาจารย์หรือนักบาตรที่มาสอนเชื่อเรื่องของตัวแถวนั้นเอาใจของตัวเถวนั้นเอากาวเห็นณของตัวเถวนั้นเป็นสําคัญเป็นใหญ่ทางธรรมะแท้จรงถือว่าโลกาเอตตาที่ไปไต ถือเป็นคนใหญ่ไม่เชื่อใครผิดถูกอย่างไรใครจะแน่สอนในฟังเสียงงี่เว่า เคยทำแบบไหนก็ทำไปแบบนั้นมีการแยกใครมีการตับตรงแบบทูบผิดดี้ชั่วอย่างไรเวาาทำกันก็ทำกันไปผลได้รับจะเป็นอย่างไรก็ไม่เคยคำนึงคิดถึงความทันของตัวขอจะให้โลกทั่วไปเขา มีัความมีเรงรีมีลมบอกลมบงอะไร คือคืองยินกันแล้วว่องลังกันมีกันข่ากันขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วเขาดูหมิ่นทาถือว่าดุนนั้นเงยสมุกสนานกันนี่เป็นเป็นเร่วงใหญ่สาคัญไม่ใช่ว่าแต่งใจพระพระว่าอยากเด่นพระชาติสงศ์กว่าทือกันอย่างโมกาที่แปลกใจจิ้มกันสังน่ ควานี ì, Fred, th th ้เคยขึ้นเพอเคยทำาะในทราว่ามันผิดถูกมีเชื่วอย่างเร้แต่ทากันไปอย่างนี้จากนี้เหนอยกับสุดตรงนี้หัวลับจบผมนะเกี่ยวข้องในีวิตนีในอย่างนี้จะไม่สนุกสนานที่มีกัรลาบานชนิดบางอย่างเป็นคนประเภื่อนนี้เ็เขียนเอาไว้เพื่อจะเห็คนทั่วไปเกิด เองนี้ไม่มีเหมว่าปกครุมนม่มีเพื่อนฝึงชอบพอไม่ร่วมการบินการกุศลคนนั้นเป็นบุญเป็นกุศมอยู่แต่ถ้าว่าตายไปแล้วถ้าไปเกิดเป็นเทวดาเทรดาุตอยู่บนราสาดีเมืองคนนั้นเป็นบริษัทบนดีวันจะนั่งโขโมอยู่คนเดียวในลาซาดตรงนี้คนก็เลยกลัวกัน อยากจะไป อ, อยู่โดดเดียวมนีบริษัทบริการขวัญสูงสนุกสนานทำอันนี้อะ่ะมันเป็นคำสันในจิตในใจของหน้ทำอะไรเข้าก็จะแต่งมี เอาอะไรอาสามเออนม่ไผ่แ้วก็เอากระเพื่อนนัิสืบข้าวไปทาหล่อพุ่งเสียบๆกันไปมีคนขาด้าระน้นเงินอะไรทงแต่ละต่นกันีกทีบัดแต่เขื่อนหัวล้วสตกอเขาช้ามาัเสียมีนเสียทองไปเน ดูถามกินอาหารได้กันเพีงพอถามเราอยู่ที่ไหนมีไหมทำไมมาหาไหจจำเป็นจะต้องยิ่งหุ่นหาเราหาปลาหาอาหารย่างดูดูเสีอเขายิ่งทำใหญ่โตขนาดไหนมีอะไรอยากอะไรกินเพียงพอบาลีมูล หนกตั้งตายสองขกสางขดนั้นเขาเหล่าลือกันว่าสนุกมากง่ายเขาถือกันอย่างนี้มีเกโลกาที่พระรยยังทากันอยู่นสมัยปัจจุบันทุกวันยังมีกันอยู่แค่ทุกเห็นทุกเห็นแต่ทําบุญอะไรขึ้นบุญขึ้นบ้านใหม่หรือบุนวันเกิดหรือบุอะไรเรียกหนั้น ว่าตรงนี้มือนพระฤาษีเขาแทะนอย่างนี้เขาพิรุษคนนั้นตอนนี้นี้ทำเอาแต่ตัวในเสบียงตัวแพ่พือพ่อนฝูงนี่เรื่องของโลกาที่แท้ใจมันสันใจของมนุษย์แก่ในปกนี้ ที่ผาไานทีผ่าไน่ชื่อต้มต้มใหญ่เนื่เือ้มใหญ่คคิดพิจารนาในจิตในใจเนื่อยสงสัยก่อนไปถามทำผีรู้ว่าทาอย่างไรมันจึงจะเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลจริงจังทำผีรู้นี่ะให้มาพิจารณาโดยใจอย่างถูกต้อง คนตาขอสั่งเขาใครจะต้องมีอินทาขอสั่งเขาไม่ดเอาเต็นๆใดไม่ได้เอาอกขอเมันเป็นไปไทางถูกทางถูกยิงไเป็นไปพวกมพวกกูส่นเกิดเป็นคนเนจริงจังเขามียอมชมชอบทาพวกนี้รู้สึกหายยาเพราะดนมากมันันไห้ในลมปากของคน ดเชื่อนเหยุผลทางอัดทางทำโลกยิ่งเย้อยู่เรยมาขณะที่จะปูกธรรมะเห้ีหตผลยิงตงนั้นกหายยกพู้ใปมันจะผิดไม่ใจควงคนเขาจะในหลวงใสในศรัทธาเลยใจเขาอีกอย่างหนึ่งทำเองก็ชอบอย่างนั้ไม่ได้ใสคิด เจน่าหนระอะไรผิดถูกชั่วดีมันก็เลยเดืยดเดือดติดต่อกันมาตลอดแต่จี่บางทางา่านตาเดือดโลกาที่กระจายอาตาที่กระจายเหตุธรรมาที่ไประไายนั้นหา่าคนที่เป็นคนรู้กว่าคนจนใจไม่อาจไปทำ้าที่เยง่านะตามหลักเกน ของพระพุทธเจ้าเราอย่าไปหวั่นไหวเราทําไปเพื่อตัวของเราเข้าความเงินทองที่เราทําไปนั้นไม่ใช่จะทำให้คนอื่นเขาทำให้เราเองเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรักษาไม่มีกฎหมายข้อไหนที่จะบังคับบังช่างแต่ต้องทำอย่างนั้นในทำอย่างนั้นนะทางกฎหมายจะจับคุคุณ กัคับก่นหมายก็เลยบังคับคนอื่นภายนอกเขาควรจะหามาให้เราทำไปทำมันผิดมันก็จงเกิดผลเกิเกดประโยชน์อะไรเสตยสกขของเราแชนะ่้หมทุกสิ่สงทุกอย่างต้องพิจารณารอบ้ อ, อ, อที่ถว่วนแน่นอนทำสอนอยู่เพราไว่าทำบุญ ในตกานคนอื่นเขาอันนิโงทธนาเอาเงินมีหัวลักศพคบงานนะไงงานบุญนนั้นคนทั่วไปเขาเลยโดนมาเกี่ยวข้องในบุญในงานทั้งปนตายไปเล้วจะเป็นคนโดดเดี่ยวเหมือนี้บริษัตด้วยกันนั้นอันนี้ก็ถหาเราที่เจอนะ บางตำาผีหรือภูใต้เจ้าท่านเคยจะทําบนเทียนมากว่ามีทางที่จะคิดโยงานได้ยกตัวอย่างสมัยพระพุทธเจ้าของเราเป็นผัวที่สัตว์เหวียงเป็นดอมตอนนั้นท่านเคยทำทุกสิ่งทุกอย่างจนเผฟ้าประชาชนทั่วไปเกิดความอิจฉาละอายใจทาง คงจะักดิ์สิทธิ์คงไม่มีอะไรเหลือหรอกยังไงทางก็หมด ให้ลูกรักของท่านทั้งสองต้งหาชาลีถ้ามาขว๋าท่านก็ให้บอกนั้นถ้ามีผู้อยากได้เมืองหัตไทยมาขว๋าท่านก็ยอมให้ลูกตาทั้งสองข้างมีใครมาขว๋าท่านยอมเสียสละทั้งนั้นท่านเป็นนักเสียสลักท่านเป็นนักบริจาร ท่านจะมีหี้วหืองอะไรเข้าใจเมืหลังโผล่ขี้ยาความคิดอ่านเป็นอย่างนั้นพอเป็นอย่างนั้นคู่ควรประชาชนทั่วไปก็ขับหนีใส่ส่งปละเทศที่นม่ง่านห้หนี้อยู่ในนี้เป็นกษัตริย์ในนีอะไรจะเหนืหอรอหนักใจไว้ไล่ท่านนี้ท่านก็ยังหนี้ ให้หยุดช้าทั้งตนออกจากราศวังหยียหนีไปเนื้อเทือกไปอย่าอยู่ในเขตคร่นัอันนี้ไม่แผ่นดินที่เราคว้องอยู่นี้ กบลุลุกเข่าต่าเรื่อยไปจนไปถึงเขายงกบจป็นกระทำที่ดีดีแทนประเทือกฐานบาลามีของเราไหนจะทานะสมบูรแล้วเป็นส่วนแล้ว่าในมีอะไรนะู่ในตาเจ็ดสองสันศีลบาลามีที่รักษาศี ตัวของถัากันเเป็นเลือสีตัวความของถันถ่านาครัสชายาของถันก็ให้บวดเป็นลาเป็นเลือสีมีที่มีผู้หญิงมีในต่างแตลกดาวกดยาตามตำนานเ่ยร้อนไปถึงไทย เหนอยน่เคยมาแต่เก่าก่อนมันก็ยู่ได <Ste> ้เพราะความพอใจเต็มีเจตเมืองของพระเวทจำดอนตอนที่ท่านจะทนั้นมมีใครทําเบื่อใส่ทางว่าท่านทำน้เป็นยเป็นกู่ฝนเราจะอ่านโมทนาในความดีของท่านเป็นตากตาโมทนาไห คือความยินด uh, ีเรืี่องไถในสู่สร้างความดีไม่มีใครเลยในประเทศอันนี้นในแผ่นอันนั้นในแ่นนอันนั้แต่พอท่านสวรรค์ครือเพราท่านตาแทนที่จะไม่มีบริสัทธบริวารม่เป็นอย่างนั้นท่านไปเกิดดุสิตสวรรค์ตากวดา การเขาทั้งหลายแสนหมุนล้อมดูแล ร, รักษาหนีผุดถึงตามกันหลังมาอยากนี่พอถึงการถึงเวลามีพวก เนของกษัตรเป็นลาดอรสของพระเจ้าจุฑโทธนะ บานทั้งสี่มีเรรักษาพระคันของมันนะฮะพระคันนั้นตามนั้นสีที่กล่าไว้เหมือนคันของคนธรรมดาคือคันทั้งทันจีตพระที่อาศัยอยู่นั้นงานภาลัยนดาทั้งคันท้องเหนืองเหนมาเหมือนคนธรรมดาปกติต่างกาย คันทองใสยิ่งกว่าที่ทำยามไหนงานเข้าในคันปกติคนทั่วไปเนี่ยมีท้องมีคันสุ่มหน้าตาที่เคยจบสุ่มเคยสวยงามแต่อบเต็นไปอีกแบบหนึ่งเงี้ยมาดูอยู่หลังกายของคนมีคันท้องเกาะมนออกมาเป็นมองไม่เห็น ขาของตัวกตลังติดบังมีต้นอย่างนั้นทันอยู่ในคันเดิเนเลยแต่เปือ่นเลยบุโเโลหิตพอไปสูบมากา็ตามตำราผูกไว้ไาายอยากให้จังไร้ย่าง น, นอกจากนั้นผียังงานก็ดูลรักษา อาภัอาบัติณาเพราะทำบุญพุ้นทานมีใครอนุโมทนาตามท่านเป็นเนมนุมีอคตชายาคือในกินพาและสนองหกหมื่นคนที่เฝ้าดูแลรักษาท่านมงาจากที่ไหนถ้าทำความดีโดยคนอื่นเหนอนุโมทนาด้วยเหนมีบริษัทบริวา แล้วจะโดดเดี่ยวม่มีใครจะเป็นผู้มาเป็นเพื่อนงพรพุทธเจ้าของเราตั้งตามตําบลดําหนว่าอย่างนั้นตอนไปเกิดสวรสด์ฤทธตามมาเป็นพระพุท้เจ้านอกจากนั้นพอเดือนหน่งในทาราวาตตําบลออกประพฤติพดพรหมวจันต์เสด็จพิจิตเสกก เด่นตนทันโกไม่มีใครไม่เอาใครไ้ติดตามท่านทั้งที่เป็นกษัตริย์เคยอยู่สุขมีู่สบายไม่เคยทำอะไรพอาะเสด็จ ที่นั่นของท่านเกิดบันเดียวกันกับท่านงานตัวนั้นงานสรรอานาตกเกิดเกิดสากมาซ่าคือเกิดพร้อมกันในเวลาอันเดียวกัน ตอออออนนอัอย่างนนั้ท่านจะอยู่องค์เดียวขอทานพูดยินนอนยินนอนยากมีใครไปไปจี้บักมีเรือรักษาท่านท่านสิดผ่อนเคยเป็นกษัตริย์สุขสบายมาทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาที่ประทับที่บรรทมอาหารการเสวยทุกสิ่งทุกอย่างท่านอุดมสมบูรณ์พอเป็นกษัตระสับไม่เคยอยู่ ในป่าในเขาไม่เคยได้รับความอดอยากยากจนแต่ท่านก็ทำมาแล้วไลนี้มี คนที่คนที่เขาไม่เคยเห็นท่านเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าคนนึมีเขาก็เห็นว่าเป็นนักบวดธรรมนานดานักบวดสมัยนั้นก็้ดยหนานีแจะเสืนีีสีในนักบวชในพุทธศาสตร์สมนั้ท่านเป็นคนแรกที่ออกบวชคนลาหนากยากยนอยู่ในป่าในเขา ยิ่งกวนี้ยมันก็มีหน้าฝนมาก็เด้ทราบท่านอยู่ตาม่าหรือตามโพรง้หรือที่ไหนเราก็ไม่เห็น ăng, ด mới, น้วยตาของเราแต่ต้องเนบาดแน่ๆไปดินถ้าบาดขอทานเข้ามากินนั้นเขาเหนื่ออะไรก็ใส่ลงไปนี่ค่ะท่านก็ซืเห็นอย่างกิงนี้ไมบ ที่เป็นไทยต่อกายพอคนพระไทยเสวยไปไม่เลือกว่าอันนี้ไม่สมทางอะของเราเราเป็นกระชัเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของต่างชาตราเมือย่างนี้ไม่เสื่อมความแก้วเราพระองค์ไม่เคยคิดคว้าหนสิ่งนั้นไม่เป็นพิดเป็นไทยเสวยไปพอประทางชีวิตเป็นอยู่เท่านั้น ในต้องทางรสชาติอร่อยอะไรขอให้ชีวิตอยู่ได้ในตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ท่านม่งหวังอย่างยิ่งก็คือความตั้งทะลุเป็นพระพุทธไตจ้าหมดอาเราะว่าชีวิตในจิตในใจในที่ที่ท่านงหวังอย่างยิ่ง อื่นกวเลเนี่ยเป็นอบปสรรคดูได้ท้าได้เงันได้อาทักได้บันทมได้เพราะความหีหวังในใจหีหวังที่จะไปพิจารณาเพื่อกำจัดย่เหลยปันหาทำให้ใจทั้งตัวเห้บริทุดสาเนื่อตัวก้องตัวพลไปจากทุกโทษ เขาเหล่านั้นจะเย็นช่องทางมีช่องทางประเภทปฏิบัติเพราะการเกิดเจเจ็บตาย ม, มีใครสิจะมีอำนาจหลักศัก์บังคับบัญชาได้จะเป็นการัดจากคภาพนิลาศก่อตบังคับไม่ได้บังคับจ อ, อินได้ทั้งิงอินได้แต่จะบังคับหม่เกิดให้จให้ตายบังคับไม่ไมันทำไงตึ้งเก่งกา พิเษขนาดนี้เกี่ยวความเกิดความแก่ความตายมีเกิดมีแก่มีตายความไม่เกิดมีแก่ไม่ตายมีคนน้อยแน่เรจะถ้าอยู่ในปราสาทระวังภาลานาทิปหนัเมอคนมีโอกาสด้ลาที่จะยุติชัยปัญหาส่วนนี้ให้ไปจากในประเทศไทยอย่างนี้ไปอย่างนั้นวาลานาที่ อย่างนสิทธผูกไปยกคขวางในนี้นี่แต่ล่าคนเรียวหน้าที่ของเราจะนี้ใช่ทีนีพิจารณาหาทางแก้าัหาขางใจให้เห็นชัดเนต่างหน้าที่นี้พิจารณาต่างหน้าสำามอดนอนความอาหารจนสูบสิดจนเยอะแตะหนัง กำลังยิแรงอะไรทางธรรมะที่เป็นสายโลกเป็นบุคลาพิธฐานท่านจึงละท่านสงบไปสงบไหลไปเพราะท่านมีฉันอะไร ซึ่งชเป็นทานประจําสมรักมิกสวังเป็นหนอดลหงใหญ่หงหลวงไทยแหนื่อแน่นยันที่สุดตอนท่นเกิดใมาใหม่อุบาดใหม่ใหม่ประชุดใหม่ใหม่ถือไปจา่าจุดเทอธรรมะหาความเล่าแก่ไปทาําไงคนธรรมะคนหนึ่งกี่ไปทาําาน คนนี้มีคติเป็นสองถ้าอยู่ในทารววาจะต้องเป็นพระเจ้าจกักรพัรดิว่าไม่มีกระสัใดหนาไหนจะประสบดีเสียเท่าท่านท่านจะครอบครองไปหมดเป็นผู้หลักผู้ใดญ่ในโลกไม่ใช่ในประเทศแต่ท่านออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าทางทั่วไป ที่สุดว่าว่ากุมารองนี้จนนี้ออกบวชต่เป็นพระพุทธเจ้าไหมถานจริงในนี้ออกไปบวชก่อนเป็นนิสสีคอยแล้วลูกของฌานที่มาทานายทายทางนี้บอกโดยชวนกันออกไปในสี่คนห้ากับคนทำได้ไปบวชก่อนพอได้ยิ่งแล้วทำเสด็จพิเศษสิกลมคือออกบวชกติด ตามแสวงหารเราจะไปทักกีนที่ไหนในข่าวก็ไปสุดพุทธปฏิบัติอยู่กั็ท่านเห็นกัรทางกายกางอบน้ำผ่อนอาหารการทำทุกกาจชิวิานั้นสมัยนั้นคนจะถือกันเป็นสำคัญใครทำมากเท่าไรคนนั้นจะมีทางคนทุกมีทางกัดสุ ก็นัก th si e หนี่งเนี้ยทังๆที่เคยทางามาแล้วท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เชื่อมั่นแล้วท่านจะได้เหรียญถิแต่ถ้าพทธองค์ทาไปทาไปจนสลบสฉลยจนล้มตายลงไปายมีพระอินทร์นำผีสามสายพอซึจากโสดมาีให้ท่านดูดีดสายมันตึงเกินไปพะดีดานั้นก็ขาด เขาอยายาเต้นไปบิดไดนนแ้แต่ไม่มีเสียงหรือเสียงไม่เพราะอย่างสายตานั้นดิดได้เสียงไพแลไม่ขาดนี่เป็นโลกาทไปตะยุุคลาีิฐานที่ท่านเล่าเอาไว้เพื่อจะให้พวกเรา ต่งนั่คืออย่างไรบุญคืออย่างไรยอมคืออย่างไรเพื่อจะปรับ